น้ำขุ่นใจครับแข็งไรนีเมตตาอันนี้มันเป็นนิสัยมาจากไหนกันนะยิงทุกวันนี้มันเมตตาเลยมันเป็นหลักธรรมชาติสแสดงมันแสดงมันก็เป็นอย่างนั้นคือมันอ่อนไปหมดเลยระหว่านี้มีปูนกรงนี่แล้วมันอ่อนไปหมดเข้าได้หมดเลยคือสัตว์มีวิญญาล้วไม่ว่าจะในไหนไม่เคย มีความต้องัารตนว่ายิ่งกว่าเขาเลยแล้วทีได้เห็นคุณค่าของศาสนามสุดใจได้เห็นเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ท่านชมค่าได้ไหมดคือค่าในหลักธรรมชาติไม่ถือว่าพระพุทธเจ้านี้เลิกประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายนะในความรู้สึกของพระองค์จริงๆต้องเป็นอย่างนั้นคือมันอ่อนนิ่มดรง่หมด ไม่มีอะไรจะถือคือปล่อยทั้งหมดแล้วมันก็เลยลงถึงธมผมสภาพตามหลักธรรมชาตนี้เข้าได้หมดรักษาล้างดีชั่วนี่เข้าได้หมดแต่ไม่ติดนะเข้าได้หมดแต่ไม่ติดตอนนี้เป็นยังเข้าได้แต่ไม่ติดเข้าได้ด้วยความสะอาดไม่ติดด้วยความบริสุท คือเข้าได้ด้วยความสะอาดไม่ติดเพราะความบริสุทธิ์ใจเดียวทั้งนั้นสำคัญใจอ่อนถนัดนิ่มเข้าได้หมดในบรรดาสัตว์ทั้งสามโลกธาตุแม่เหล็กสำคัญเกินมายิ่งหัวยอดกว่าใครก็อะไรทั้งนั้นเป็นสภาพสิทธิสมบสมบัติเสมอ จิตถ้าคุยอบรมให้ให้เต็มที่แล้วเป็นอย่างนั้นจิต ท, ที่สร้างคิตสร้างภาให้ตัวเองแสดงออกก็เป็นทุกถ้ามีคุณเต็มที่แล้วเป็นหลักธรรมชาติคุณของจิตคุณของทํามแล้วก็มันก็เข้าได้หมดอืมข น, นานั้ สุณไปยุนรับมาแล้วเอาเปลี่ยนเช็คมาแล้วรียบร้อยตอบเปนหมายกองทัพเนี่ยนี่เรียบร้อยแล้วเรียกเก็บค่าเกมม็ดให้เราบางทีก็วาระที่จะมอบเขทาทำแล้ววันนี้มาอีก ว, วันนี้มาตาามา่อวาระธรรมดาค่า เทวาห้าร้อยกว่ามีคกามเป็นมากเรื่องขีดกันด้นพันเลยพันยามแหวกพันยามฝืนพระโคดของฤล็กที่แสดงให้เราเห็น น, นี่มันแสดงอยู่กับใจตลอดเวลาควรจะเห็นโทษกันเนี่ยคุณธรรมยังไม่เคยแสดงยิงไม่ค่อยเห็นความอัศจันย์ของธรรมถ้าทำเนี่ก็แสดงขึ้นที่ใจ เช่นเดียวกับวิเลศที่เคยแสดงขึ้นที่ใจแล้วความภาพเลี้ยนทั้งหลายต้องเข้มแข็งเขาเป็นสีที่ผิดกันมากมาคุณลักษณะของสีทั้งสองที่วิเลศแสดงผลขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนั้นทำแสดงผลขึ้นมาอย่างนี้นอย่างนีน้ภายในใจลงเดียวกับ แล้วจิตจะต้องคืบหน้าเลยไม่ทอแท้อ่อนแอเพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตมีความขระยิบซึมซา ห, หรืออาจหานหน้าเลยสลับเป็นสละตายได้จริ ง, งนื่จะเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแต่มีอยู่กับใจเมื่อเปิดที่เรื่องตัณหาหรือแสกที่เรื่องตัณหาออกไม่ไม่ได้แล้วก็เข้าไม่เห็นเข้าไม่ถึง ที่ท่านเราทำทำั้งผู้ที่จะรับทราบธรรมทั้งหลายยู้ธรรมทั้งหลายเห็นธรรมทั้งหลายนี่จิตดวงเดียวเท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะสามารถรับทราบธรรมได้ยิ่งกว่าใจดวงดวงเปลียนดวงเดียวตามหูตามมุเรื่องกายนีเน้เป็นเพียงทางเดินของธรรมเข้าสู่ใจทางเดินของผลิตปัญหาเข้าสู่ใจไม่อยู่ในสถานที่เหล่านี้ เรอยู่ที่ใจทางออกทางเข้าของธรรมและเบญจน า, าออกมาจากทา ง, งใใต่างๆตรงนี้ดิ้นกันความคิดพลางเปลี่ยนแปลงฝึกขัดสติปัญญาให้คิดหลายแง่หลายทางอย่าเป็นคนอยู่แบบซึมๆแบบไม่มีความคิดความอาจแบบขี้เกียจ แบบอะไรพูดมืถูกนั้นไม่ใช่ทางเดินของผู้ปฏิบัติเพื่อความ พ, พ้นทุกต้องเป็นผู้มีสติต้องเป็นผู้ขึงหวดกดขันความคิดความอ่านอะไรที่ออกมาแต่ละอย่างละอย่างให้ยึดสายจ่ายจองเสมอสิ่งที่มาสัมผัสทางตาของตัวมีรื่นกายนำเข้ามาเปรียบเทียบ้ะไรหลายแห่หลายกระทุมพยายามฝึกหัดสติปัญญาอย่างนี้นของสิ่งเดียวเขาแยกไป็หลาย เนี่ยหลายกปฐมมีเป็นเมื่อเราพยายามแยกพยายามพิจารณาต้นควาเหลืองนั้นเนาะแขนงของสติปัญญาจะค่อยแตะออกไปแต่ออกไปว้างกออกไปแล้วจะเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดซึ่งเกิดขึ้นจากสติปัญญาเป็นขุดค้นขึ้นมาเนี่ยจะเป็นนิสยัยเป็นเมื่อสติปัญญาสร้างตัวได้หลักฐานแล้วก็มีการจะสร้างเรื่อยๆผิดออกไปเรื่อยๆแต่กระจายออกไปเป็นจริงขแขนงนับไม่ถ้วน อะไรสัมผัสเข้ามาจะต้องพิจารณาแยกแยะต่างๆแสกจายต่างๆนั่นแหละสติปัญญาออกอางนันไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วสติปัญญาจะเกิดขึ้นกิเลสจะหลุดลอยออกไปเพราะความอยู่เฉยๆจะพาไปจำไว้อย่างถึงใจย่อมจะพิจารณาเรื่องปัญญากับเรื่องสมาธิจะภาวนาอันแบบไหนเป็นแบบที่จะตัดความกิเลสเป็นแบบที่จะทําให้กิเลสหมอบราดลงไป เป็นแผที่แผนที่จะทำวิเศษให้ตายด้วยวิธีใดให้นำวิธีนั้นมาใช้ในเวลานั่งนั่นที่ควรแก่การยึ่ควรแก่หน้าที่ของตนที่เห็นว่าเหมาะนั่งภาวนาถ้ า, ารู้สึกจะห่วงอย่าฝืนนั่งให้ลง่งบอกอย่าทำเป็นความเคยชินเป็นความชี้เกียรในการนั่งภานานั่ง นี่เคยฝึกมาแล้วคุงได้นำมาสอนหน่งพ่วน อ, อุบายที่ฝึกต้องมีหลายเนี้หลายกระทงจนพารนามเกิบเป็นเทคนิคของแต่ละลายละรายที่จะหาอุบายมาแก้ตัวเองเพื่อหล อ, เอกเลากอดไถ่ไม่เช่นั้นกิเลสกับใจจะแดกจะหามกันวันยันคำ่ำคืนยังอยู่ตลอดตลอดไม่มีเวลาฝึก โปร่งป่อยวางกันได้ลงหนักกันลงหนักเพราะทั้งสองชุดเด็ดกตะิ น, นี้สนิทกันมากมันะจนไม่ทราบต้นส า, ายปลายอุปมาเกิดขึ้นมาได้ยังไท่านจึงเรียกว่าอักขินต์เป็นสิ่งที่ไม่ควรคำนึงไม่ควรคิดให้เสียเว ล, ลาและลำบากกว่าเรให้ถือหลักปัจจุบันเป็นเป็นต้นเป็นสำคัญเราไม่ต้องไปดูหาโกรธหาเชื่อ ของมันมันมาจากไหนเชื่อของจริตขึ้มนมาจากไหนให้หาดูที่จิตขึ้นเชื่อมันก็นมีขึ้นโคตรมันจริงจริงหลังรู้ต่อเหล่าพรมันกนน็เกิดขึ้นดูใจนี่นะเกิดขึ้นจริงที่เร่เกิดขึ้นจากตาก็เช่นยวกับสนิงที่เกิดขึ้นจากนี้แล้วกลัดเสร็จ กัดเหล็กลงไปให้สึกหล่อให้ก่อนลงไปเองจนกระทั่งเหล็กนั้นใช้การอะไรไม่ได้นี่เลยก็เกิดขึ้นกัดใจแย้ลังความลังแยอทําลายจิตใจจนกลายเป็นจิตใจที่เสียช้ง า, านใช้าการอะไรไม่ได้เสียแตจะทั้งคนคนทั้งคนไม่มีคุณค่าแม้แต่น้อยเพราะอำนาจของเกจดี่แหละเป็นตัวทาํา พากันนอนใจชติปัญญาจะเดินก่อนเดินหลังสมาธิจะเดินเวลาไหนปัญญาจะเดินเวลาไหนให้เห็นเป็นความเหมาะสมสำหรับตนอยาเข้าใจไปหน้าเดียวว่าสมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิดต้องพิจารณาเอาโยมสมาธิให้เกิดเสียก่อนแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นะเดียงโครงการที่ร่าง ไว้อย่างนั้นแล้วนั้นแหละโครงการนั้นแหละสมการเป็นเรื่องหลอกตัวเองเนื้อหาความตัดความจริงตามหลักธรรมชาติของธรรมแท้ไม่เด็นปัญญาก็เป็นเครื่องที่จะค้นคว้าหาเหตุหาผลหาสิ่งที่ควรปลดปลง n g ก่อยวางสมาธิก็เพื่อจะทํำใจให้มีความสงบ เ, เยือกเย็นเพราะเคยคิดเคยปรุงเคยแตะเคยหามกับอารมณ์ทั้งหลายมาเป็นเวลานลานแล้ว ระยะที่ทำสมาธิเพื่อความสงบใจนั้นก็เป็นวิธีการอันที่จะให้ใจได้ปล่อยวางภาระลงได้บ้างชั่วการช่วยระยะในขณะที่จิสตสงบเพราะความทึ้เหมดปวดขันของสติสัญญาัประกอบอยู่กับความเขียนในเวลานั่งสมาธิพรรมน ขณะที่จะใช้ปัญญาก็ไม่ต้องว่าสมาธิมีหรือไม่มไม่ต้องไปคิดค้นหาให้เห็นหเห็นผลของกระแสจิตที่คิดไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรที่คาดูเรื่องนั้นให้เห็นชัดเจนแล้วมาทั้งเก็บดูเรื่องความผิดพลาดของจิตที่เคยสําคันมันหมายหลอกลวงตนเองถึงกระแบกที่เดหาทั้งกองยิ่งกว่าภูเขาไปทั้งลูก ยังไม่ยอมให้โทษให้เห็นโทษสิ่งอย่นี้ด้วยปัญญานำมาใช้สมาธิอะไรจะเกิดก่อนเกิดหลังก็คือเป็นสิ่งที่จะถอดถอนกิเลสหรือทำกิเลส ห, หมอบ้าดลงไปด้วยกันทั้งนั้นขณะที่จะใช้ปัญญาให้ตั้งใจใช้จริงจิงขณะที่ทํญญาสมาธิให้ทําด้วยความสนใจอย่ยาไปห่วงใยถึงเรื่องปัญญานี่คือว่าทำหน้าที่ไม่ก้าวก่ากันและไม่โยกโยกทางสอน ไม่ลังเลสงสัยจัดว่าเป็นคนจิงทาอะไรถ้าทําด้วยความจริงใจเป็นนิสัยที่จริงแล้วเห็นเหตุเห็นผลเป็นชื่นเป็นคันไปโดยไม่เหน็ดจับจับวางวางที่เรียกว่าจับจดทําอะไรไม่เกิดเหตุเกิดผลประโยชน์ทำไปอย่างนั้นอันนี้เป็นนิสัยดีเอาความแน่นอนมาได้ผลก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะคำไม่แน่นอนของใจนั่นแหละเป็นเครื่องทําลายผลที่ควรจะเกิดขึ้นไปเสียเล ไม่มีทางสุดได้ต้องฝึกพัดตัวให้เป็นคนจริงคนจังฝึกไปทุกวันทําไมจะไม่ได้ทำไมจะเป็นไปไม่ได้คนเป็นสิ่งที่สุกผลได้ธรรมะเป็นเครื่องฝุดผลดจิตใจพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเคยฝึกฝนได้รับผลมามากมายหลายกองที่ว่าทั้งพุทธทางธรรมังสังขังทั้งนั้นก็ฉายมีให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาตลอดมาขี่กับขี่กันรับไม่ทน ก็เพราะการฝึกความทรมารที่จะปรากฏพุทธทางธรรมังสังขังขึ้นในโลกให้ได้กับว่าบุตรานี้ปรากฏขึ้นจากการฝึกท ร, รมานมนี้ทั้งนั้นคือเป็นผลออกมาจากอันนี้ทำไมใจเราจะฝึกท ร, รมารตัวไม่ได้เราเป็นคนคนหนึ่งเป็นนักปฏิบัติคนหนึ่ ง, ท, นนงที่ว่าลูกศิษถาพจอะไรเป็นลูกศิษถาคตตามหลักธรรมชาติตามหลักที่แค่จีน ก็ได้แก่สุปฏิอุทุงานนะครับมีปิปฏิปันโนปิบัติดีปฏิบัติเพเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความอดความลดความภาบ่างเพือนความแค่ควรเหตุผลดีทุกนี่คือสิตฐานเพราเดินทางนี้ไม่ใช่เดินแบบความมากง่ายที่เจียจเห็นแต่ปากแก่ท้องเห็นแต่การหลับการมาอันนี้เคยเป็นศาสตราจารย์หยาบย่าทำายจิตใจลมานามเรียน เราลองได้ตั้งใจฝึกกันจริงนี่แน่ใจเหลือเปินว่าจะต้องปรากฏถึงอัศจรรย์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในวันใดวันห น, น, นึ่งแน่แต่นี่ทําไมไม่ปรากฏก็ต้องทําให้เห็ น, นชัดๆไม่ต้องบอกก็ทราบได้ครับความเคียนเป็นยังไงก็จะเป็นในลักษณะดังตามลักษณะที่เราเห็นในทุกวันเลยเราเดินไปไหนมาไหนจะต้องได้ชี้ได้บอกทุกสี่งทุก อยากทุกแง่ทุกมุมไปเาขาขางที่เก็บมากๆความไม่ชอบคิดชอบอ่านไม่ทีนีจพิจารณาอะไรเลยนิสัยเป็นอย่างนั้นแล้วยืนอยู่ก็เป็นเดินอยู่ก็เป็นนั่งก็เป็นนอนก็เป็นทาหน้าที่การงานอยู่ก็ต้องเป็นนิสัยอย่างนั้นเพราะเคยฝังใจมานานเนี่ยแยกมันออกหรือไม่สนใจจะแยกให้ถึงเหตุเห็เหผลกันบ้างว่านิสัยอย่างนี้มันดีเพียงไหรหรือชั่วเพียงไรไมาเอามาคลี่คายดูบ้าง เดินไปไหนเลยได้บอกได้เตือนเสมอเหมือนกับว่าผมนี่หาโทษทางโดยกันมู่เพื่อนไปไหนคอยจะจับผิดจับถูกกับาพาดของหมู่เพื่อนเสมอความจรงเป็นคนนรกนะผมไม่ได้มีเรื่องอย่างนั้นกับหมู่เพื่อนผมรับหมู่เพื่อนไวเ้เพื่อการอบรมสั่งสอนเหมือนเป็นอวัยวะเดียวกันความที่สนิทใจของผมมือสมใจของผมอย่างจริงนั้นผมไม่อยากเห็นความผิดพลาดของหมู่เพื่อน ไม่อยากเห็นสิ่งที่ไดเคื่อนได้ว่าได้ดูดาวว่าดาวทมืผมไม่อยากพบไม่อยากเห็นเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีคุณค่านอกจากแสดงเป็นเรื่องของพิเดียแห่งควา ม, มางา่ายความไม่คคิวามยความไม่พิจารณาของหมู่เคลื่อนล้วนเท่านั้นจะเป็นอะไรไปอืมคนละอาบางทีผมรู้สึกหนักใจนะแล้วผู้ที่ไม่พิจิตรพิจารกก็จะหาว่าทําที่ทำใจทำที่ทำศักด ทวาเป็นของเจ้ของเป็นอยู่ตลอดเวลาไม่สนใจดูไม่สนใจคิดไม่สนใจแก้ไขนี้แต่คนอื่นมาเห็นส่วนที่ไม่เห็นเป็นอย่างไงมีจานวนมากน้อยเพียงไรมีควรจะพิจารณาดูให้ดีนักปฏิบัตินักใไขควรต้องสะทเรื่องนีง้นี่จึงทาให้เกิดความละอาใจเหมือนกันที่หมูเพื่อนจะเวลาแยกย้ายไปจากครูวาจานนันแนวจะทรงตัวได้หรือไม่การทรงตัวได้นั้นจะทรงได้ด้วยเหตุใด ถ้าไม่ทรงได้ด้วยข้อบัดปฏิบัติไม่ทรงได้ด้วยสติปัญญาภาพภาคความเปลี่ยนตั้งแต่ปัจจุบันนี้ไปจะเอาอะไรมาสบนี่แล้วปัจจุบันนี้เป็นอยู่อย่างไรผิดผิดพลาดพาดขาดาดเขินเขินให้ดูอยู่ตลอดเวลาให้เห็นทิพตาแทนใจทุกเวลาความแม่แน่ใจมันก็ต้องมีเขาเห็นอยู่ทุกวันซึ่ง ที่ควรจะคิดสิ่งที่จะได้มาจากสติปัญญาของผลให้ได้ชมบ้างให้ครูบาอาจารย์ได้ชมบ้างไม่ค่อยจะเห็นมี่ลยนะแบบไหนก็แบบเดิมอยู่นั่นสอนก็สอนหมดทิศหมดศิษหมดกําลังหมดความรู้ความสนัดความสามารถที่นํามาสอนหมู่สอนเพื่อนก็ทุ่มเทลงหมดแต่ผลไม่ค่อยกากดเลยนี่เป็นอย่างไงนะ่ะมันก็ทําให้คิด นี่แหละที่เป็นเหตุไม่อยากจะรับหูกเพื่อนมากเพราะเหตุนี้แต่เจตนานั้นดีอยู่ด้วยกันมีความมุ่งหวังอยู่ด้วยกันแต่ความโง่ความเชื่อซาทที่เป็นนิสัยดั้งเดิมมานี้ไม่ยอมลดละนี่แล้วจะหาความเสลียฉนาดมาแก้เป็นในตรงไหนลิเลตมันแหลมคมยิ่งกว่าเราสมากหม่เนี่ยมันจะมองเห็นกันหรือมันไกลกันอยา่างนิพรับนี่เป็นเหตุอันท้อใจ นิสัยของผู้ที่จะถอดถอนที่ให้ตกไปเป็นลําดับลําดับนี้เป็นนิสัยของสติเป็นนิสัยของปัญญาเป็นนิสัยของความอาถรรพ์ร่าเริงความขยันหมั่นเพียรความอดความตนต่อความภาคความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องเครื่องแกงอยูเสมอเสมไม่จะทําอะไรด้วยความงุงนง่านเชิดสักโดยขาสติปัญญานี่ไม่ใช่ทางเดินของพระพุทธเจ้าและพระพุทธวัฒน์ศาสน า, า, าเป็นของนิเศษเลิศโลกเลิศ เ, เพราะสติปัญญาเป็นเครื่องฝุกเป็น เรื่องขุดค้นขึ้นมาไม่ใช่ความโง่เขลาปัญญาไม่ใช่ความแบบอยู่ซึมๆเหมือนหัวต่อเป็นผู้ขุดค้นทําประเสริฐนี้ขึ้นมาและเราจะขุดค้นสิ่งประเสริฐนี้ขึ้นมาจากใจเราได้ด้วยวิธีไหนหรือจะได้ด้วยวิธีแบบที่เป็นมาอย่างนี้เลยแบบเป็นมานี้มันยากที่ท่านอาจารย์มากใ น, นปฏิบัติธรรมมากกว่า มันเหมือนเศษเหล็กเคลื่อนที่มันว่ากรรมาฐานเสร็จกรรมาฐานเคลื่อนที่มันเร่มีความยายแยกแยะไป้วตอนที่ได้อยู่กับพ่อแม่อุปบาอาจารย์ผมก็อยู่มาขับหมู่กับคณะผมก็อยู่มาคี๊ดหนาละอาใจแทบจะลบจะตายแต่ก็คนอยู่คือมันเห็นอยู่อย่างนั้นเหมือนกันทั้งที่เราก็มีเฉลี่ยหนา แต่มันก็เห็นเห็นอยู่หนีานอย่ากว่าเราเป็นห น, นาจนคาตาของใจันเข้าแล้วก็จะให้เห็นจากนั้นเป็นประจำเลยทําไมเวยมันอยู่ขดค้นมันอยู่ทำไมมันจะไม่มีอะไรยืดเยื้อแย้งออกมาพอแสดงให้เห็นว่านี่อาการความสลับเริ่มตัวไหวเริ่มตัวแสดงออกมาทําไมมันจะไม่เห็นมั่ง ถ้าพยายามคิดอาจแตกต่าง ม, มากแ้าสิ่งใดจะหย่อนยานนั้นจับคอยยึดเสมอทำไม่ใช่ความหย่อนยานนี่แหละอันหนึ่งการมาเพิ่มปฏิบัติให้ในเบาอกเบาใจ อย่าให้เลยหนักใจสิ่งใดที่คนจะฝึกตนมั่งให้ฝึกหรือามาอยู่กับเมืองกับตลาดอะไรนั้นก็เลือเปิดสิ่งทุกอย่างจนไม่ทราบว่าท่านปฏิบัติธรรมนั้น ท่านปฏิบัติอย่างไรในมีแต่กรรมาฐานปูนเพอรกรรมาฐานเนื้อเกลือไม่ได้คิดตัวไ ม, ม่ได้คืดมีเลยไปสอนคนสมองสุดปัจปจัยในชาตเกิดมาให้คนให้ต่างองค์ต่างระมัดระวังรักษ า, าตัวเองนะเรื่องนี้เป็นเรื่องของตัวเองจับที่นิสพิจารณาโดยเฉพาะเป็นรายๆไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะบังคับสัสอนกัน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 มาธิเปกนยิ่งต้งที่ อ, อา น, น, อนธพาลเห็นตัวจินตเวทน แ, บบนแน้นจำก็จำได้มาจากแบบแผนอนงค์ตเราเห็นองค์สมาธิก็เป็นขึ้นที่ใดคุณลักษณะของสมาธิแสถถนนดสองสถถออกมาอย่างไรบ้างไม่เห็นกับแสงปัญญาทางเทจอยูอว่าปัญญาปัญญาปัญญาเป็นยังไงไม่ไม่กราก มุณสมาธิก็มนปรากฏปัญญาก็มปาปรากฏผลคือความสุขความสงอบเย็นใจและความแยบขายของใจความคล่องแคล่วความแปลกประหลาดอัจารย์ของใจที่แสดงออกเป็นระยะระยะนะั้นจะให้อาจะเจอที่ไหนกันมันต้อมีทางเจอ นักปฏิวัติไม่ใช่ความคิกความอ่านเลยเหลวไหลสิ่งที่ใช้พิจารณามีเต็มการหมดมีแต่ของกินล้วนๆไปด้วยไม่มีอะไรมาปลอนไม่มีอะไรปลอนในร่างกายไม่ว่าจะพิจารณาในแง่อสุขธรรมชาตินี้ก็ประกาศตัว เปนอารม์ผ้าอยู่ตลอดเลยลนะ่ะอารมณ์ผาคือความนาเกลียดของร่างกายผิวหนังเข้าไปมันก็มีขี้เย็นน่ะขี้มุขขี้ตาขมุกขีฟันขี้อะไรหมดทั้งตัวนะคำว่าขี้มันเป็นของดีเมื่ อ, อไหร่มันก็ปฏิคูลนะ น, นี่นีอยู่ตลอดเวลาเนะี้ยยิ่งยูดโดยสม่ำเสมอ ไม่ขาดตังบทข้อในความจริงตามหลักธรรมชาติของตนแต่ละอาการนะครับเราจะรองไปตามนี่ทำไมจะไม่ทราบความจริงของหนี่แท้ๆ <S <S นี่จิตมันแยบเข้ามาชั่วคราวแล้วเห็นเราไวเ้เยอะเป็นวันๆนคือมันไม่เห็นของจริงนะเยียบย่ำำําทํานั่งทับนั่งทับนอนทับของจริงมันก็ไม่เห็นอรูปภาพไม่ทราบอรูปภาพย่งง ไปจะไปเยียบกองขี้หมากลีบนี้เสียโดยไม่ได้พิจารณากองขี้หมานั้นมันเป็นอย่างไรบ้างกับกองขี้คนอยู่ภายในท้องมันเป็นอย่างไรบ้างนั่นปัญญาต้องเป็นอย่างนั้นเทียบเข้ามามันได้สัตว์ได้สว่วนก็เรียกว่าปัญญาหมุนออกไปข้างนอกย้านเข้ามาข้างในเทียบใกล้เทียบไกลเทียบมันได้สัตว์ได้สว่วนทาไมมันจะไห้ได้ความแยกขาดขึด้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงมีอยู่ทั่วไปที่จะเป็นสิ่งล่อปัญญาให้แหลมคม นีอท่า น, นี้เรียกว่ากรรมฐานเป็นฐานที่ตั้งของงานอันชอบทำแท้ๆไม่ผิดพลาดท่าดํานเนินตามงานนี้แล้วจะพ้นจากทุกท่า น, นเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของงานโดยชอบทำแล้วพระพุทธเจ้าท่านกับตั้งลงที่นี่ท่านดําเนินที่นท่านพ้นทุกได้จากงานอั น, นจากกรรมฐาน น, นี้ ไม่ใช่เป็นงานที่จะทำแบบแบ บ, แ บ, บความจินชาล่าหลังใช่นหมล่ะดูไปตรงไหนมีตรงไหนมั่งที่ขัดต่อความจริงกันบ่าไว้ว่าของจริงของจริงจะดูทั้ผ้ากับสุภามันก็ตัวสุภาทั้งหมดในร่างกายของเราทั้งข้างนอกข้างในไม่มี บกช่องที่ตรงไหนไม่มีว่างที่ตรงไหนว่าไม่มีอาชิภะอาชิภะตั้งอยู่ในอาการนั้น ๆ, ๆันเลเป็นอาการที่บริสุดผุดของไม่ยาชุพะแทรกเรื่อไม่มีให้ส่วนรํางัดเราจะดูพิจารณาข้างบนข้างล่างขง้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างในข้างนอกเล่นเจาะปฏิกูลด้วยกันเนี่จะให้กินขนาดไหน ศาพิจารณาตามนี่แล้วจิตทําไมจะไม่จริงต้องจริงทีเดียวที่เด็เดปัญหาสร ะ, ะจะมีกองเข้าภูเขาก็อยู่ไม่ได้รุดลอยไปหมดเพราะ น, นี่เป็นทางทําลายเป็นเครื่องมือทําลายเป็นงานที่ทําลายที่เด็ดปัญหาอสร ะ, ะไม่ใช่เป็นงานส่งเสริเหมือนกับความคิดของเราที่เคยคิดอยู่ทุกวันทุกวั น, นซึ่งเป็นงานส่งเสริส่งเสริมที่เด็ด ดูเข้าไปเงินหนังเข้าไปาเนื้อหาเอ็นหาก็ดูหาปาชาบฮีดิตายเก่าตายใหม่ไหลลงไปในท้องไหลออกไหลเข่าดีก็ะไรเมันอะไ ร, รมันอะไรกันนเนี่ยคุณอาโซจิมานโดนิสตางประเทศเดียกติอันตราเลยนะคอนะค่ะตื้นตันนะค โลกสันนิวาสเหมือนโลกสันนิวาสมันร้อนเป็เหมือนไปเลยพวกเธอทั้งหลายรื่นเริงมันทนกันขนาดไหน ท, ไทําไมจึงไม่แสดงหาเกาะหาที่พึ่งมันร้อนอยู่ทั้งกายทั้งใจนี่หว่าโรกสันนิวาสเอาเอากายกับใจนี่ลองดูแต่และลายลายเนี่ยเป็นสันนิวาสของกนของกฎเป็นโลกของกนสันนิวาสของกฎหน้ากลมไหนที่มันไม่ร้อนมาดูสิ ใจมันก็ร้อนกายมันก็แสดงอยู่ทุกขังก็แสดงอ น, นิจังก็ไปพร้อมขันอรัสตาหมูนตัวเป็นเกลียวไปในอันเดียวกันนั้นมีสามลักษณะศาสตร์วัตถุมอาการนรี่งอ้ยแสงเงาที่พึ่ขอของก็ค้นให้มันเห็นเห็นผลเห็ น, หนความจริงที่มีจะเป็นทางอ น, นิจังก็ต่างทุกขังก็ตามอนัตาตาง คามเป็นอุูปะสุพังก็ต า, ามด้วยสติปัญญานี่คือการหาที่ผุดหาโดวยวิธีนิพพานนักปุริตาทาไมเนี่ยจะไปหาที่ผึดแกหาที่มีที่ น, น้ำเรื่องอุูปะนี่เป็นหลักใหญ่มากนะที่น้ำข้างนอกกับที่น้ำข้างในที่น่ะวันหนึ่งกี่ร้อยเที่ยวมันลงปัดเอามันลงปัด แต่เข้าใจว่ามันมากเกินไปพาเขาไปจนคํานิชำนาเห็นอะไรมันกลายเป็นสุภาพไนหมดทั้งข้างนอกข้างในกายจะถอนสิ่งที่เกิดแรงภายในตัวออกได้เป็นลำดับที่ท่านเรียกว่าอุปาทานความยิด ม, มั่นผิดมั่นเป็นความผิดทองเท่แต่เราก็ยอมผิดยินดีผิดยินดีรับเขาอยู่นั่นเนี่ จีิมัมีมีตังก็เต็มส่วทุกครังก็เต็มนนรัสตาก็เต็มส่วอัตาอัังก็เต็มส่วนงันไม่มีอะไรจะปิจาณาสติสตังไม่มีเต็มก็เต็มมีแติ่นั้นผลที่ควรได้รับจากอย่างนี้ก็ไม่มี เราจริงเราังไม่นานมันต้องเป็นได้ทุกมันเห็นกันชัดๆจะทุกข์ด้วยวิธีใดด้วยการนั่งมากหรือหรือด้วยการคิดข่อควรตัวเองตามมันเห็นมันคิดไปไหนบ้างความสนใจให้ควรความตั้งหน้าต่างตาจะพิจารณาดูเรื่องราวของคนจริงๆมันเกิดกับคนนี้แล้วทําไมมันจะไม่เห็นบ้ามันต้องเห็น ใจไม่สงบไม่มีความเย็นเลยเย่ละล้อความสุขความสบายไม่ไหายควายาวความแยกทายไม่รู้เึงคนที่เรียนงงหรอเราด้ยวย ความทุกพระเกลเผลาใจยังเคยทุกมาครับมากก่ามันนยไม่เลยะจะทุกข์ยิ่งกว่าที่เด็กเผาอใจวันจะ่จะมาทั้งรสาดขันนี่ด้วยกระทบเปลนทุกธาพุทุกขันเลยไม่จะเกลี่ยนแต่รากฏเปียนแต่ใจเลยเฉพันก็ปากฏเปลี่ยนทุกธาตุขันเลยนึกทิดโมไปได้ไปได้เพรความทุกขใจมันเป็นบ้าเลยมัน ฆาตัวตายของทำลายตนทุกคนก็มีคุณค่าโดยไม่รู้สึกตัวเลยถึงว่าเป็นทางออกทุกมันไม่ได้ทางออกไม่ใช่ทางเคลื่องทุกไม่ใช่ทางสลับทุกมันเป็นทางกว้างไฟเข้ามาเผาตัวสร้างคำหยาดหนักเขา้าอีกขอบเขาคโง่นั่นเองในคิศข้างหน้าขาดหลังให้เห็นเหตุเห็ผลหนักเบาพอที่จะ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 เราคิดเราค้นอย่างนี้แล้วจะไปฆ่าตัวลงคอรหรือว่าคนมาแก้จิตที่มันคล้องนี่สิมันบุกคล้องทิงไหนก็แก้ที่กตรงนั้นมันก็ดีขึ้นมานการคิดธนายตนมันก็ไม่มีเป็นความเป็นมากเหมือนกันก็คือความคิดมากเสียใจมากเป็นเป็นบ้าเราจะแก้วิธีใดแก้ด้วยอุบาปัญญา ม, มันจะเป็นบ้าก็ได้เลยใครก็ไม่อยากเป็นก็รู้แล้วว่าบ้านั้นไม่ใช่ของหนึ เลยเข้าใจเป็นทางออกทางออกถูกด้วยความคิดมากบุญนานมากเดือดร้อนมากว่าเป็นทางออกคิด<ช>ทางออกอะไรคนกํำลังจะเป็นบ้าหรือล้วมันออกอะไรมันถึงจะเป็นบนะ้าขนาดนั้นถ้ามันออกมันจะเป็นอะไรทางออกด้วยการฆ่าตัวเองบั่งอะไรมัางคิดแต่ น, นั้น นี่เรียกว่าโงมันทบทวนเหตุผลหนักเบาตาเด็เท่าไหร่ก็เท่าเดิมทุกคนนี้มีวันนี้ก็มีอยู่เท่านี้แล้ววันไหนมันจะบกบางไปถ้าแก้ไม่ได้แล้ววันไหนก็เท่าเดิมจะปีใดเดือนใดชาติใดพ้นใดก็เท่านี้นอกจากจะมากยิ่งกว่านี้ไป เพอการสั่งสมกิเลสมั น, นตั้งใจสั่งสมหรือไม่ตั้งใจสังสมมันก็เป็นประตามอัตโนมติมของมันเพราะความเคยชินมาฝึกกัดฝึกกันแล้วมันก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้แต่การที่จะมิ้วฟื้นสติปัญญาขึ้นมาเพื่อขอดถอนกิเลสมีต้องทำด้วยเจตนาต้องทำํำด้วยความตรงใจจริงๆทํทำด้วยความขยันหมันเพินความอดความทนต้องทําเลือกการเํา น, นักต่อสู้ดิบๆมันขึ้กันในขั้นเริ่มแรกจะต้องเป็นอย่างนี้ แต่ที่นี้เวลาเคยชินแล้วมน patient, นันก็เป็นคานองเดียวกันกับสั่งสมการสั่งสมที่เด็ดของสมุนไพรคือการถอดถอนที่เด็ดของตัวเองเนี่มันก็เป็นคานองเดียวกันคือเป็นอัตโนมัติเหมือนกันครับการสั่งสมที่เด็ดด้วยที่เรียกว่าสมุนไพรมักทําหน้าที่ถอดถอนที่เด็ดเมื่อเข้าถึงขั้นเป็นตัวของตัวประกัวรรู iar, ้จักกดเกณฑ์รจักผลรายได้รายเสียพอรอบตัวเองแล้วมันก็หมุนตัวไปเองเช่นเดียวกัน นั่งอยู่ที่ไหนก็มีแต่อุบาวิธีที่จะถอดถอนที่เหลือโดยถ่ายบิลนังที่เคยได้แสดงให้ฟังมาไม่รู้กี่ครั้งเป็นร้อยร้อยพันพันไม่ใช่ว่าจะลำบากลำบนไม่ใช่ว่าจะต้องถูถ่ายกันมาตลอดเวลาเมื่อได้หลัเกเลยเจนพร้อมเป็นไปแล้วมันก็หมุนขอมันไปเองหมุนจะกระทั่งได้ล้างเอาไวา้ฟังสิ จะไมีมในดบบแขนสําหรับตำราตามๆห้ามจริงมันมีอย่างนั้นเราก็เอาความจริงออกมาพูดนี่สาหรับผมในปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลามันผู้ถายกันจนแทบล้มแทบตายมันไม่อยากไปเพราะไม่เคยเห็นผลในทางนั้นมาแล้วเวลากไปแตทางที่เคยเดินทางเคยเดินไม่ใช่ทางสั่งผมที่เลืห น, นักเท่าไหรันก็แบกบแบกบมาแล้วนก็นอนเฝ้าอยู่นั้น เพรมันพอใจที่จะคิดพอใจที่จะหลักสมกิเลสเนื่องจากไม่มีสิ่งอื่นทีม่มีคุณค่าที่ให้เกิดความปลอใจยิ่งแบบนี้ไปมันจำเป็นนะคันก็ต้องแบบต้องถามกันอยมือนพอเมื่อได้อบรมจิตใจไนดะ้หลักได้เพ่งเข้ามาสุขความสงบเย็นใจมีทัน้นความเลือกคายเพราะการที่การอ่านแนละ้วก็เห็นผลจะเป็นลําดับๆ น, นี่มันก็ออกทํา ง, งานนะพี่ออกทํา ง, งานเดินจงกรมก็มีท่าจะถอนกิเลสท่าเดียวยืนเดินนั่ง น, นอน เรียบบททั้งสี่เย็นตลับกนนนีน้แต่ถ้าจะถอดสะถอนดีเด็ดด้วยความคิดความใส่องดูความเคลื่อนไหวของใจความจะเคลื่อนไหวไปไหนเครื่องไหวเคลื่อนไหวไปเพื่ออรารมณ์ผิดข้องกับสิ่งใดและสิ่งใดที่ยังไม่เข้าใจอยู่ดันมีอะไรบ้างเน่ยมันฝุดค้นลงไปไหนจะเป็นความเพียรเดินสิ่งใดที่ว่ากติปัญญาอัตมัติหมูนตัวไป ในขั้นพฤติ ก, การท่านบอกมหาสติมหาปัญญาเป็นผู้มีสติปัญญาแต่กล้าสามารถจริงแต่เราสําหรับนิสัยวาสนาของเราเราจะเรียกนั้นมันไม่สะดวกใจเราก็เรียกว่าสติปัญญาปนุมัสประตมิติอะไรว่าเฉียเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนขนานั้นแล้วมันมันเข้าวคลายไมติดถ้าลงสติปัญญาไม่หมุนตัวเป็นเกียวเกียวกับความเปลี่ยนแปลงข้าวคลายในมติดเฉียไม่รับเาเนี่ย อู่คนเดียววันนัำหมุนตัวตลอดเวลากับความเพียเ ด, ดเห็นที่ถอดที่ถอนเห็นวิเลตหมดใครเป็นระยะระยะระยะระยะพุ่นคุ้ยเขี่ยขึ้นมาค้นหาคุ้ยเขี่ยหาจนเจอเจนะอแล้วอาตะลุงบอลเข้าไปพอหมดพักนี้อ่ามีอะไรอีกค้นหาอีกอยู่อย่างนั้นนั้นไม่หยุดไม่ถอยจนถึงได้ร้านเอาไว้ฟังชึ่ววันร้านเอาไว้ไวลืมหลับลืมนอนนอนมันก็ไม่ลัน มันเพิ่มกับความเพียรเหที่จะเพิ่กับความเพียรเพาเห็นอะไรนันก็ทราบในตัวเองอย่างชัดเจนเพอสิ่งที่อัศจรรย์มันเห็นไี้ชัดชัดซึ่งได้ผลมาแล้วเป็นลําดับลำดับมีเท่านี้ได้แล้วเท่นี้ยังอีกอะไรขึ้นงานเกาะยังกกเกี่ยวยังกลัวยังพัองอยู่แล้วนี่ยังปลดเกลื่อนไม่ได้คืออะไรเอาจนน่าแ ม, ม่มีอะไรอีกแล้วภายในใจนี่แหละที่ว่ า, านในใวความเพียรมันไม่มีละ ขันจะขันอยู่มันก็ไม่อยูในรถในข้ามันอยู่กับธรรมอยู่กับอารมณ์แห่งธรรมที่ทามาที่จะมากันอยูยังไม่ตกไม่แตกไม่สลายไม่ขกปัญหาอะไรยังไม่แตก ม, มันก็คบกันอยู่นั่นเอาไงั้นทางออกจากโลกทางที่จะข้ามโลกข้ามอุษาเปิดกว้างทางหลังก็ติดกันเข้ามาติดกันเข้ามายิ่งเห็นความอัศจรไปเรื่อยเห็นโทษข้างหลังไปเรื่อยมันจะไม่ดื่มความทางความเปลี่ยนยังไงคนเรา มันต้องเดิม ห, หมุนเอาเป็นอัตาเขาว่าทีวิตดจิตใจมีคุณค่ายิ่งกว่าทำดวงที่ต้องการอยู่ในร้านีหนังทาประเสริฐอย่างนั้นเหลยจิตใจมันถึงติดจิตใจจึงจึงฆ่าันนี้พอใจจนลืมเนื้อลืมตัวลืมวันมันทีลืมหิ้วหวยอะไรทุกอย่างลืมแม่ร่ําม่หลักมีแต่ทํากับใจสัมผัสกันอยู่พับๆๆๆๆๆเท่านั้นไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลย โรคไม่เหมือนไม่มีเพราะไม่สนใจสนใจจะอารมณ์ธรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเท่านั้นเวลาหมุนไม่หมุอย่างนั้นไม่เคยเห็นมีในตำรับําราที่ไหนก็ตามความจริงมันเป็นอย่างนี้มันประกาศอยู่กับใจอย่างนี้น ท, นนนน ท, นที่เดียกผ่อนผอมไปวันนะ้นเล็กน้อยเห็นทัดชัดกับายทีเดียวว่าอันใดหรือไปแ ล, ลแล้วรู้เท่าจิเใดแล้วอันใดยังอยู่ เมื่อหนักเข้าหนักเข้าการยอมแพ้ไม่มีนที่เราจะยอมแพ้ที่เด่นี้เป็นไม่มีตายก็ขอให้ตัดนอกจากจเอาชนะท่าเดียวเท่านั้นมีเท่านั้นจีดลงในท่านนี้แล้วเป็นไม่ขอใ ห, ให้พ้นเสียอย่างเดียวจะไปค้างอยู่ในชั้นใดภูมิใดเป็นสิ่งที่ล่าช้าเสี ย, ยเวลานานไม่ต้องการจะข่านเป็นกระตายก็ขอให้ผ่านในขณะ น, นี้วันนี้เดือนนี้ปีนี้ชาตินี้อยาให้ผ่านแต่จะให้รอนานเพราะเพื่อทัพจิด มันหมุนทันกันอยู่พับพับพั บ, พ บ, พบเหมือนกับหมาอมลายเนื้อพอจะจะกัดจะฉีดไปในตลอดเวลาแล้วมันจะถอยตัวไปได้ไนะตายก็าตายแค่นั้นเด็กนอกจากมันทะลุไปซะเลยนอนั่นี่เด็กเนรพลอยเครื่องรบทั้งหลายสติดปัญญาก็หมดปัญหาไปเองที่หมุนติวติงนึกว่ามันจะไม่มีเวลาดึกเวลาจะเวลาปัญหามันหมดสดติกันลงแล้วตาทันก็ตังหมดภาระผู้ป่ ทราบงานของตัวเองในขณะนั้นทันทีหมุนเป็นเกี่ยวอยู่นั้นมันก็อยู่ได้มาหยุดจะไปหาหมุนหาอะไรอีกนะสิ่นก็ทราบว่ามสิ้นหมดก็ทราบว่าหมดบริสุทธิ์ก็ทราบบริสุทธิ์ไม่มีที่จะไปแล้วจะหาไปที่ไหนอีกหาไปย่งนัก็หลงอีกมันไม่หลงจะหาอะไรนี่บริสุทธิกันเองความภาของเพื่น ในเวลาหนุนนไเองไม่ใครจะต้องถูกถูกไทยบงทังคับกันไปตอไลอดเวลาฐานะของจิตที่ควรจะเป็นตัวของตัวควรจะพึ่งตัวเองได้ควรจะมีความภาคเพียรควรจะสนใจในอะธรรมที่เกิดขึ้นกับตนเขาแสวงเอง เรื่องด้านหลังตรนี้ในปัจจุบันนี้กับอดีตที่เราเป็นมาไม่ไมีลืมมันรบกุกคลางทั้งแบบทั้งเขียนยุ่เยงเยิงวุ่นวายร้อนเหมือนหนังไฟเผาทั้งกล่องมึงก็รู้ไม่ลืมจะลืมอะไรไม่ดีในหัวใจตรงนี้ด้วยกันมาต่างหากเป็นอยู่กับใจเลยทำไมจะทราไม่ทราบเรื่องตัวเองใครลาบดิ นชมมาเป็นลำดับลำดับลำดับจนกรทั่สลัดฝาดทิ้งใจหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นผงคุณดีแม่นิดในกิรังก็สมัยบรมสุขจะไปหาที่ไหนนิพพานังบาลังสุขขังว่าสุขยังไงที่เอาอะไระสมใส่นิพพานังบาลังถึงยังสยังไงถึงของปณิธานจะเอาอะไรมาสงใสก็ตัวนั้นเป็นตัวนิพพานตั้งแต่อยู่แล้วจะถ้าผสงใส่อะไรผสมของปณิธานสูญยังไง กเรื่องพันธุ์พันถูกจากความจับใจที่บริสุทธิ์ถูกยังไงสูญแห่งความบริสุทธิ์ของใจนี้ศูญยังไงมันก็รู้ทีว่าไมันไม่ศูญแบบโลกโลกที่ตะคุกเงากระหมูอย่างเงี้ยศูญแบบนี้เห็นมีผลแบบกระจัดกับตัวเองความสูญทิ้งของแห่งความบริสุทธิ์มันสูญยังไงมันก็รู้ความสุขอันยิ่งยวดมันยอดเยี่ยม แห่ความความบริสุทธิ์ที่ด้านไหนคือว่าพระนธุ์ผ่านมันมันก็เห็นดูมก็รู้อยู่กับตัวเองไม่สงสัยอะไรคเลยเหียบมันตาดำตาแดงตาบอดทำันช้างรืเดิถ้าเห็นดำก็รู้อะไรหางมก็รู้หัวมันก็รู้หูมันก็รู้วงำมันก็รู้งานมันก็รู้ขามันก็รู้รู้หมดนะรู้จนกรท่านขี้มันจะไม่รู้อะไรถ้าต่ตัวมันขี้ตกมันมันก็รู้ นี่มันขี้ของมันมันจะตัวมันเนี้ยก็รู้ที่เร่แค่รู้หมดที่เล่ที่โลกที่โกรธที่หลงที่อะไรอไรที่โมโหโส่โศกเต็มเนตุห่หัวจิดหัวใจก็รู้หมดสุดท้ายยอดทำจะไม่รู้ยังไงมันอยู่ในหัวใจของมันถ้าฝุดค้นเข้าไปจนพอตัวให้มีกําลังให้พอสติ ป, ปัญญาเต็มที่แล้วฝุดทะลุออกหมดไม่เหลือแค่เหนือสติปัญญาเลยน ถึงขั้นนั้นแล้วมันัหมดปัญหาสมมุตมิตะกตายไปจักการแล้วมันมีอะไงการอะนี้สถานที่เอามาตะการเออไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่กับการอะไรเรื่องเวลาทุกคอทุกอย่างพรอยั้งหมดมันจ ะ, ะนเกี่ยวข้องกับอะไรเมืมเ่อเป็นนั้นสมมุติจะมีม า, ากันเดี๋ยวนั้นไม่ใช่กลัวสมมุติแล้วถ้าคอยชื่ออีกมีสมมติอันหนึ่งแสงก็แปลว่าวี ม, มดน่ะ คำว่าสมมติมนั่นก็เป็นสมมตินะคำว่มมาอิพานเป็นสมมติความคำว่าะบริสุดก็เป็นสมมติอีกสมมติเพราะเราอยู่ในโลกก็ต้องเอานี่มาใชา้ไม่ใช่ไมายาย่ได้ความหยุดพ้นก็เป็นสมมติแป็นสมมติทั้งหมดถักตะิกอมาแล้วเป็นสมมติทั้งนั้น กับเพื่อนงามมืสมุติมมหมดแต่ท่านไม่หลงตั้งไว้เพื่อโลกเพื่อสงสารเพราะภาพธรรมก็เป็นสมมุติธรรมนั้นถึงจะเป็นอะไรแล้วก็ตามก็ต้องให้ชื่อให้นามเพื่อใรู้จักความสูงความต่ำของผู้ปฏิบัติก็เป็นที่คาดที่หมายเป็นชี่ยึดมีอย่างน้ำใจแต่พอเข้าไปถึงที่แล้วมันก็หมดปัญหาเองสิ่งเห่านี้นตกไปหมดไม่มีอะไร จะเอื่อไงก็ไม่เสียดายแม้จะจําเป็นไปตั้งมหาจะคุกเงามันชื่อหนังเงาเมื่อตัวจริงแล้วชาวจตามรอยอยังไงเช่นตามรอยโผลรอยจับเมื่อไปถึงตัวมันแล้วจับตัวมันได้แล้วจ ะ, ะหาตามรอยยังรอยกับตัวมันอยู่ด้วยกันนี่คาว่านิพานก็ดีคําคว่าความบริสุทธิ์ก็ดีมันมีจิตดวงเดียว น, นี่ไปเจอธรรมชาตินี้ที่บริสุทธิ์แล้วจะแบ่งอะไรอีกคว่างว่างแล ยุ่งมันเถื่อมันเสได้ยกับใครมอยู่สบายลาั่งกระพอมมันขืนกวนใจมีผลหังางปฏิบัติเป็นอย่างนี้ถ้าทำจริงไม่ไปไหนก็ต้องมานี้แน่ๆมาตรงนี้แน่ๆทีเด็ดห้อยดำเนินตามมัดที่มากันลานเลยเอาตอนหลักธรรมญาอธิบายให้ มันเป็นีกทางหน